บุกทูหกสิบสองโจิชระตูระอจิชระตูระการตั้งคำถามหนึ่งอุปชะกะตเนรอุปชกตนรเรียนกัน นักเรียนเรียนมากไหมเิลยจากคุบาซาร์กอร์ลยจากคบซร์าอร์ไม่พวกเขาเรียนน้อยฮาซาร์กอร์มาจกเฮาซาร์กอร์มาจา อุปจคุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหมลหจมบรอุปเยสตลยจบอุปเยตไม่ค่ะดิฉันถามท่านไม่บ่อยบรเซอปชรบ s e a เบอร์เซอริบตอบกลับจวันวถนช่วยตอบกลับด้วยค่ะขุจตมจาวบกคสตุตมจาวัปสตที่ฉันตอบกลับจาวบกัสสต จ واب กสต์ทำงานอฟซนเลเจนอันเลเจนเขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหมจิดเดดมัชอฟเยสอจดเดดมัชอฟเยสอใช่ค่ะเขากำลังทำงานอยู่ อาร์จิดเดมัชออฟเยสออาร์จิดเดมัชออฟเยสอมาคกุนคุณจะมาไหมสุขกิดวะสุกิดวะค่ะเรากำลังจะมาเร็วๆนี้อาร์ จิดเดดมัติกงกวชุอาร์จิดเดดมัติกงกวชุอยู่ซบสนปสเนคุณอยู่เบอร์ลินใช่ไหมคะวุ้ิบสอรเบอร์ลินชิบบอร์เบอร์ลินค่ะดิฉันอยู่ในเบอร์ลิน อาร์ซึ่ง і ะเชิญซาวอร์ร์ไปรีลิน